ก็เ <laughs> ี่เสียงต้องอาศัยสิ่งอื่นช่วยมันก็หมดแล้วหมดเสียงหูก็ใช้ไม่ได้ต่อไปเสียงก็ใช้ไม่ได้ลื่นมันแข็งมันตายขึ้นลูกมันกายนี่เหมือนพวกเหมือนแพ่ มาสุสมไปตามการสมัยเราจะขี่มันข้าบฟากให้ได้ไม่ต้องไปแบกมันเมื่อมันโจนลงไปก็ขึ้นฝั่งได้เล ย, เลยไม่ต้องเอาแพรขึ้นไปด้วยคือกายคือรูปธรรมเราจึงมาศึกษาเรื่องนี้กันแต่เป็นทุกข์เพราะกายอย่าเป็นทุกข์เพราะใจเราใช้มันเราไม่ใช่ เรามาดูมาทำกรรมฐานเพื่อจะรู้เรื่องนี้ตามควาเป็นจริงไม่ต้องไปหามาทำกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำมีสติมาตั้งไว้ที่กายนี้กายเป็นของใช่ได้มีอยู่เอาใส่กายเป็นนิมิต ให้มีสติฝึกหัดไปก่อนบางทีเราไม่เคยใช้ไม่เคยดูใครก็ตามจะมีความรู้ขนาดไหนจบมาแค่ไหนศาสตร์อะไรก็ตามต้องมาฝึกหัดตรงนี้กันให้มีสติไปในกายให้มีคนอื่นสอนเราสถาบันไหนไม่มีไอ้ลูกของมหาวิเลยไม่มี มีแต่เราสอนตัวเราเองจะมารวมกันขอเป็นสวยร่วมใ น, ในเรื่องนี้บ้างเพอะเคยประสบการณ์มาแต่ก่อนเคยหลงเรื่องกายเคยหลงเรื่องใจพอมาศึกษามันก็ไม่หลงอ่ะเอามาเป็นปัญญาควรรอบรู้ในกองสังขารคือกายคือใจนี้ มันเป็นปัญญาไม่ใช่มราจัากการศึกษาเป็นสูตรสำเร็จตามสมุิปัญญาของตาไปรับว่าไปดูเขารับปัญญาที่พุทธมนตนมีพระมีเนรมีนักปวดศาสนาอพุทธ <Why? S 2> mm hmm. หวันมหายานพวกไต้หวันพวกอะไรเขาก็มากันอ น, นั้นรับปัญญาได้ไปประกาศตามสูต r ปัญญามีความรู้เป็นพันๆรูปตัดลัวชีวิต น, นั้นก็เป็นปัญญาหนึ่ง ปริญญาในชีวิตเราคือยาตะปริญญามียานอย่างลูกสร้างยานขึ้นมาสร้างตัวลูกขึ้นมาติอคกนณปริญญาแกแกงออกจนไม่มีอะไรเหลือประหานาปริญญาทำให้มันหมดไปหมดอะไรหมดความยึดปั้นถือมั่นหมด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 พอมาศึกษาก็เห็นนันตีอยู่ตรงไหนก็เห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดนึกการเคลื่อนไหวของกายคือยืนเดินดั้งนอนการเคลื่อนไหวของจิตคือมันคิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันมากเหลือเกินเราจึงมาใช้ชีวิตอยู่ในประตูน้อยๆ อ, อันคิดมันเกิดขึ้นว่าไม่ตั้งใจกับลูก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 กลับมาตกปูแรกไม่เป็นแรกตกหมูกาไม่เป็นกาเรียกว่าสัจธรรมสัจะไม่อั น, อนไม่ใช่สัจธรรมอ่ะเอาผิดเอาถูกตตอกันได้คนนัานผิดเราถูกเอาตัวบทกไหมารัฐธรรมนูนม า, าขัดแก้งกันจนติดคุกติดลานหรือประหารชีวิตก็มี สามสูตัญญิแต่ว่าจะจะทำถ้าตกหัวแรงเขาเนินทาร์เราพอทะเลาะกับเราเราก็ไม่ทะเลาะกับเขาเขากดเราเราไม่โกรธตอกเขาเสนอเสิญยกย่องเราก็ไม่ยินดีตอกความยินดีความพอใจความมั่นใจไม่มีแล้ลักษณะตรงนั้นเราวิสติเพรอเราฝึกหัดมา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 ไม่ใช่วางลอยๆคิดเอาคิดโต่นคิดนี่คิดผิดคดถูกแต่ทั้งใจรู้จากความคิดกลายเป็นจินตยานได้แต่รู้การรู้แบบนี้ประโฉภเห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอัญญาณตัวนี้มันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นไอ้คิดเห็นมันเป็นจินตยานไอ้ร่วยจินตะมยปัญญาเป็นปัญญาได้ นั้นคำตอบที่เราสอบผ่านวิชาการต่างๆก็ตอบได้เหลาตาก็เคยเรียนรักธรรมสวัดิเ์เมญเนก็สอบได้ใบประกาศเพราะตอบได้แต่ไม่ใช่ญาณที่มันจังรู้มันจำมา ฉันเขาถามว่าท <c> ำ <oughs> เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คืออะไรทำเป็นที่อยู่ของผู้น้อยคืออย่างไรตระกูลที่มัง่งคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุใดตระกูลที่มัง่งคั่งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดเราตอบได้เพราะเราเดียนเราจำมังทำเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือเมตตากรุณ า, มาโมติราเปขา ใครมีทํามันนี้เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แม้จะเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ถ้ามีเมตตากุณาเมตตาเปรคาทำได้ที่อยู่ของผู้น้อยก็คือด้วยอุปถาด้วยรับใช้ด้วยเชื่อฟังศิษาโราเรียนศิลปะวิทยาโดยคนลกเรียกว่าผู้น้อยก่อนนอกมาไว้เย่างหุฟังตระกูลที่บงังคังอยู่ได้นานเพราะเหตุ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 ไม่รู้จักส้มแซมพัสดุที่ค้ำค่าไม่หาพัสดุที่หายไปให้เขินมาไม่แสวงหาพัสดุที่ยังไม่มีมก็ไม่แสวงหาขี้เกียจขั้นพ่อบ้านแม่เลือนมาก็นคนทุสิลแรงข้ามาค า, าบเนีสามีหามาพัญญาคาบหนีพัญญ า, า, าหามาสามีคาบเนีกินเหล้าโมยาเที่ยวเตะเร่ร่อนอันนี้ก็จิบหายไว้วอด เราก็ตอบได้เอาไปประกาศมาห้อยขวาแต่บางคนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามากินเหล้ายินยามาเล่นการปรนันเกียรติคา้านอะไรก็มีเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าการปฏิบัติทำมาใช่มผมรู้แบบนั้นมันพบเห็นมันหลงพบเห็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันก็ประชดก็อยู่เราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เราสร้างสติเราสร้างสติ เป็นกรรมตั้งไม่กับกายเคลื่อนไหวรู้เบาๆอย่าไปรู้แบบเพ่งรู้ซื่อๆดูเฉยๆดูรู้เป็นดูก่อนที่เราจะดูต้องมีตัวเพราะว่าที่เห็นนั้นตาเราตาเราอยากดูอะไรก็ลื่นขึ้นมา <c oughs> ลื่นตาขึ้นมาถ้าไม่ลื่นตาก็ไม่เห็นละ ไม่มีใครไม่ดูอะไรเท่าคนตาบอดเห็นความดีก็เหมือนเฉยเห็นความชั่วก็เหมือนเฉยคิดชั่วก็คิดอยู่ได้โกรธก็โกรธอยู่ได้ไม่เห็นนั่นแหละคนตาบอดคนหลับประมาทในเมื่อผู้อื่นไม่ประมาดบางคนเขารู้เห็นความชั่วโอ้เขาลบความชั่ว มือนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยจงเคารพพระธรรมทำคือความชั่วทำคือความดีความหลงคือความชั่วความรู้คือความดีทำทำย่อมนําไปนรกทำย่อมได้ไปถึงสุคติเคารพบางคนไม่เคารพพอใจในความทุกข์พอใจในความโกรธกูไม่ลืมกูไม่ลืม บางคนถึงกั บ, บาตายก็ไม่ลืมถ้ากลัวได้โกรธแล้วไม่เคารพความชั่วเลยเอามาลงโทษตัวเองเห็นโกงจัดเป็นโดกบัวเอามาทําให้ตัวเองเก็บปวดไม่เคารพความชั่วกล้ากลัวว่าไม่ล ก, ล ก, ลกลัวสิ่งที่ควรกลัวกับกล้าสิ่งที่ควรกล้ากับกลัวกลว้าพูดชั่วกล้าคิดชั่วกล้าทำชั่ว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 มันก็เห็นผ่านตาเระโยู่ตาในคือสติมันหลงมันรู้เราเลินตาแล้วไม่ประมาทในเมื่อพื่นประมาทเขาหลงมาชวนให้เราหลงเราก็ไม่หลงเขาประมาทเขาหลงเราก็เห็นตื่นอยู่ในเมื่อพื่นหลับเขาหลับเพราะไม่ดูล่ะ บางคนก็แสดงให้เราเห็นพูดออกมาโอ้เพื่อนเราประมาทแล้วเพื่อนเราหลงแล้วเราก็ไม่หลงตอนที่เพื่อนหลงเราก็ไม่หลงเมื่อคนอื่นประมาทแล้วไม่ประมาทตื่นอยู่ในเพื่ออื่นหลับเขาไม่รู้เขาหลับอยู่ย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนหมามีผีเท่าดี ละมาที่ไม่มีผีเท่าวิ่งไปเดินทางด้วยกันห่างกันคนละบ้านสองบ้านไปเพราะเราไม่ประมาทในที่ควรประมาทในตัวเรานี่มีสิ่งที่ทำให้เราประมาทหลายอย่างนั้นเกิดอยู่ที่ตัวเราตาก็มีรูปทําให้หลงตรงนี้หูก็มีเสียงทําให้หลงตรงนี้ จมูกก็ได้กลิ่นทำให้หลงตรงนี้ดิ้นก็ได้ลสทำให้หลงตรงนี้กายก็สัมผัสทำให้หลงตรงนี้ใจก็คิดทําทำให้หลงตรงนี้เราก็มาลูกเหมือนตรงนี้มันก็ลู่ตรงนี้ลู่ตรงนี้จนเช่นนี้ชํานานเอาเป็นความรู้ประสบการณ์บทเรียนได้ทั้งหมดเลยเยงมาก ดูตัวเองมาดูด้วยกันโดยรูปแบบกับรมหานคือการก็ทำก็มีเยอะยะเอากายระวางประกอบให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ได้หาใช่มันไปเลยอย่ามาผิดความหลง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 ไม่เหมือนเราไปทำาอื่นทันทีเดี๋ยวนี้มันหลงว่าเปลี่ยนมปนคามรู้ไม่ได้รอเลยปัดจดทังทันทีนี่คือคำสอนที่เป็นสัจธรรมพิสูจน์ได้ไม่ใช่คำหนึ่งหนะิเหตนะโพธิไม่ใช่สัจธรรมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไห ม, ม ที่เกี่ยวกับความหลงอย่างไรในเวลาวันหลงทำยังไงไปเรียกใครมาช่วยเราต้องทำเองนี่คือปัจจัตตังเห็นเองรู้เองเชื่อใเองเตือนตอนเองการทำแบบนี้เรียกว่าวาชนาเรียกว่านิสัยเมื่อมีนิสัยก็มีปัจจัยถึงมรรคผลนิพพาน ถ้ามันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นความรู้เป็นนิพพานอยู่ตรงนี้น้อยๆมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นความไปทุกข์เป็นนิพพานอยู่นี่พ้นไปหลุดไปมันพ้นไปไ น, น้อยอย่างนี้มันไปไปไหนไปจากอะไรไปสู่ความหลง ไ, ไปจากความหลงไปสู่ความรู้ ไปจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์เป็นการไปถ้าไปอย่างนี้หรือเป่าป่าวัชะถือบวชกันโอบายใครทำอย่างนี้เรือกป่าเป็นนักบวชได้ถ้าใครไม่ทําอย่างนี้ไม่เป็นนักบวชเลยท่านไปจากความชั่วไปสู่ความดีบ่อว้ไม้บม่บแหน่ชอช้างเรือกปล่าบวชเป็นภาษาธรรม เป็นภาษาปรมัติถ้าภาษาสมุติประหยัดก็ต้องไปสวดเอสาหังมีกามวาจาจารย์ไม่อุปชาไม่สีมาตามพระธรรมไม่ไหนแต่ว่าการถือบวชที่จะเป็นอุบายออกจากทุกไม่สิทธเท่าเทียมกันมันหลงรู้เลอไปแล้วพ้นไปจากความหลง เป็นทางหลุดไปหลุดไปหลุดไปมันทุกข์รู้คนเจ้าความทุกข์มันโกรธรู้คนเจ้าความโกรธไปแล้วอันหลังให้แล้วเรียกว่าเรียกว่ามักมักคือการเดินแบบนี้ไม่ใช่เดินทางด้วยลูปด้วยรถยนต์ด้ว ย, ถ, ย, นวยถนนแล้วเหยียบทางในไว้ให้เป็นลอยลอยอะไรลอยรู้ ทางลอยลูมันอยู่ตรงลอยหลงเหมือนป่าเหมืน อ, นอนถนนถนทางมันก็มีลอยลอยไปมันจึะเป็นทางสติเหมือนใบมีดเหมือนใบมีดแท็กเตอร์ของรถมันผ่านไปลอยแท็กเตอร์โดยลอมีดของรถก็กลายเป็นทางเหมือนกับสติที่เป็นไป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 แล้วก็มาอยู่ที่นี่มานั่งตรงนี้เสียงที่พูดก็พูดอย่างนี้เราก็ได้ยินอย่างนี้นีเราไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในทุงน่งนานั่งอยู่คันนาไปแสดงทําไปทําอะไรที่นั่นมันก็ไม่บอกเราจะมีอย่างนี้ขึ้นมาก็เรามาทําขึ้นมาแล้วเราก็มาแช่อย่างนี้กันจึงมาประัดศเราใครละ่ะ ใครบังคับเรามาด้วยเหตุอันใดผู้วันชาผู้หลักผู้ใหญ่บังคับเรามาเลยหลตาเคยถามผู้ที่มาบวชใครบังคับมาเมื่ก่นก็กพ่อแม่บังคับมาแล้ว <c oughs> ก็ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปที่ใครบังคับมามาแบบแบบตั้งใจมาที่จะบวชจังพระอย่างนี้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 ไปอยู่อาศัยก็ไม่มีเพียงพออยู่บ้านก็เปิดตู้เย็นกินได้อยู่นี่เลือกไม่ได้มาทําไม่ก็อยากว่าขัดบางคนก็ตั้งใจมามีเวลาเนี้ยต่อยเดือนหนึ่งก็มาเพื่อศึกษามาบวชแล้วก็จะศึกวันนี้จะศึกรูปหนึ่งก็ลามาบวช ก็ดีถ้ามโมธนาบางทีจะผ้ามออไปบวชไปห่มพอใจหรือพอใจที่ฉมผ้าไหมพอใจถ้าไมให้ฉมผ้าถ้าไห้บวชเสียใจไหมเสียใจเพราะตั้งใจมาแล้วก็เลยค่องจีวรให้ไปไปห่มผ้ามาบางคนก็ถูกพ่อแม่บังคับมา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 ที่จะไปทำความดีก็นั่นแหละคือดิฉิตชีวิตของเราอันนี้มันเป็นของทําได้บาตที่บัตรทำมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปไปกับอะไรเพึ่งกัรกระทำของเราเราอยู่อย่างไงชีวิตเรามาถึงวันนี้เราหลงหรือเรารู้กันมากมีใจ พึ่งใจได้ไหมเอาใจไปทาอะไรนี่กายเอากายไปทาอะไรออกมาใช่เรื่องนี้ลองดูสักขั้งหนึ่งเถอะชีวิตเรานะอย่าไปหลงเขาลุกเขาผงเกินไปถ้าเราเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีก็มีถ้าเราเป็นคนชั่วทุกแบบคนชั่วก็มีเราไปทุกได้ไหมเราไปทำชั่วได้ไหมเอามาทำดีแนละ้ว ความดีที่เราทำก็เป็นประโยชน์ถ้าเรามีเมตตากรุณามุริตาเบิกขามันก็มันก็สบายสบายถ้าเรามีอิจฉาไปบาปมันก็เดือดร้อ น, น, นเนี่ยจึงมีการกระทำจริงจริงชีวิตเราเนี่ยมันทำได้จริงจริงหาหลักฐานต่ามาทำความดีสติ เป็นพิาพากษาตุลาการความหลงเป็นโจดเราไม่รับความเป็นธรรมเลยชีวิตเราความโกรธไม่เป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรร ม, ค, มความหลงไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราควงรู้จักตัวเป็นธรรมฟ้องมันลงไปให้มันชนะเรื่องนี้กันบ้าง ไม่ใช่โกรธจนตายทุกจนตายหลงจนตายความทุกข์อันเป็นขั้งสุดท้ายได้ความโกรธตั้งขั้นสุดท้ายได้นี่คือธรรมะที่ปฏิปไตยมีสิทธิจะไม่ทุกมีสิทธิที่จะไม่โกรธเริ่มต้นจากตัวเราเราก็มีการมีงาน อย่าน้อยเราก็เป็นครอบครัวผัวเมียลูกเต้เาโรลานก็ไปช่วยกันช่วยคนอื่นได้ก็ไปช่วยครอบครัวเรายร่องพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้มีหน้าที่ช่วยคนเป็นครู ก, ก็มีเป็นหมอก็มีพยาบาลก็มียิ่งดีใหญ่จะได้ไปช่วยคน <c oughs> มีอกาช่วยกันแล้วก็ลูกของเราเอง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 มีปัญญาทางบุญตกันเป็นคนดีโตกันถ้ารักกันเคารพกันก็ต้องเป็นคนดีอย่าทำไมกันเดือดร้อนบุญในพุทธศาสตร์จะเป็นอย่างนี้ถ้า <c oughs> <c oughs> อะไรมันขวงงันไว้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างรัฐบาลพม่าเวลาเนี้รัฐธรรมนูญ ของเขาถ้าไม่คนไปช่วยคนร่มจายเป็นแสนแสนอย่างเน่าแต้มบ้านแตเมืองไม่เคยมีใครไปช่วยเพราะรัฐบาลพระบ้าให้ใครไปช่วยจะช่วยเองบางทีทางประเทศต่างๆตัดสินใจเอาเครื่องมินใส่อาหารไปรหย่อนลงประเทศว่าจะเอาไปแจกกันเอง นั่นตัวนั้นกมีสมุติปัญญาจีดมัน่นถือมัน่นถ้าบนุคิดถึงมนุษย์เราแบบมนุษยชาติให้แยกเบียดเปี่ยนกันให้ช่วยกันบางทีสมมติปัญญาก็ของกันประเทศของกูมึงอย่าเข้ามาอันนี้ของกูอันนี้ของกูกายก็ของ ก, ก, องกูเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะกายเอากายไม่เป็นทุกข์ใจของกู เป็นทุกข์พอใจเอาใจมาเป็นทุกข์เรียกว่าอุปาทานว่าโดยยกอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สองเจ้าสวนอ่าตาละคณาสูตรเี้นี่อุปาทานอะไรกูมีไหมกูในกายกูร้อนเห็นไหมกูพอใจกูชอบ เอากายมาเป็นกู่กู่เหนื่อยวิธีเป็นเวรทำยังไงเห็นมันมันร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่กู่เป็นธรรมชาติเป็นอาการของกายของรูปไม่เป็นทุกข์ความร้อนได้ไหมได้ทาไงรู้เฉ ย, เฉยๆรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเหนื่อยรู้แล้ว เบาไหมเจ้าว่าไมไหวหนักไหมไม่เป็นเลยเบาไหมเห็นมันหรือเป็นมันเป็นผู้โลนหรือเห็นมันโลนเป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวหรือถามนักปฏิบัติเป็นไงหนูแก่เลยหลวงตาวันเน่ ย่อะไรมันเครียดง่วงกว่ง่วงคิดมากอ้าวนักกรรมาฐานก็ไม่ตอบจากนั้นดอกตอบมปไม่เอาตอบยันไงมันก็เครียดจังงจน่ะดูหน้าตาเขเครียดอะ่ะเห็นไหมคนเครียดมองอกก อ, งอกไหมคนโกรธมองออกไหมนะอ่ก็รู้ จึงเคยถามเขาเป็นไงหนูแย่เลยทำไมมันเครียดมันง่วงเช็ดป้ไม่ใช่นักกรรมฐานเขาไม่ตอบอย่างนั้นตอบไงตอบไงมันก็เครียดอย่างนี้จริงๆอะ่ะไม่เอาไม่เอตอบมาหลวงตาบอกว่าให้ดูมานไม่ใช่ไปเป็นกับมานทุกเรื่องไปดู ไม่ใช่ไปอยู่กับมันมันใช่ไปเป็นกับมันมันแสดงก็อย่าไปร่วมมือกับมันเอามป่าว่ า, าที่ดูเขาเคียหรอเออวันนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้สิเห็นมันเครียดเลยเป็นผู้เครียดเราก็ออกวาจากความเครียดเออตอบอย่างนี้นะเห็นมันไหมเห็น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 เรามาดูมันดูมันที่แสดงว่าความเท็ดความจริงเป็นยังไงไบางทีมันสมมุติขึ้นมาเอาสมมติเป็นของจริงบัญญัติว่าเราชอบเราไม่ชอบบัญญัติเราเองบางคนก็ทําให้เราบัญญัติคําพูดลักษณะท่าทางสมมุติรูปธรรมเสื้อผ้าอาภรณ์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 ปั ญ, ญมา่าชอบว่าไม่ชอบเราจึงมาศึกษาตามสมุปัญจัะวเห็นที่มันเกิดขึ้นกับเราด้โอ้สนุกดีมาเห็นของจริงในชีวิตเราดูเอามีสติผมรู้สึก สตินี้ทําใหม่ๆก็เป็นสติต่อไปจะเป็นญาณเป็นดวงตาภายในของเราลู่รอบมันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันมีแล้วมันไม่ลืมเห็นอะไรก็เห็นอันเดียวความโกรธก็เดียวความทุกข์ก็เดียวโกรธอยู่ที่นี่โกรธอยู่ที่ไหนก็อันเดียวกันมันเป็นอันเดียวไม่ใช่งอกงามเหมือนโลกภัยใคร่จักร โรคขีหนูโรคเอทโรคอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นา่าอันโรคจะอยู่กับเราเนี่ยมันอันเดียวมันหลงเมื่อมันหลงก็ไปไกลเมื่อมันลูกก็หยุดแล้วแค่นี้เองเราจะทำมาได้เลยเรียกว่าปฏิบัติธรรมมาพูดมาบอกเรื่องสิ่งที่ทำได้พุทธเจ้าสอนเราในสิ่งที่เราทำได้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 น้าประกาศจริงๆเอา้าไปหลงเอา้าไปทุกมันไม่ทุกก็ได้นี่ยนะเอาไปโกรธมันไม่โกรธก็ได้นี่ยนะเรื่องแค่ไหน้ะโกรธไปไงทุกไปไงไหวไหมไม่ ไ, วไวหวไหวนองตาเคยเคยเคยสวนทางกับความคิดคนนั่งรถไปด้วยกันมันร้อน ไปเผยแผ่ธรรมที่เชียงใหม่สมัยอาจารย์ทองศิลเป็นนักศึกษาอยู่ที่พะยับเชียงใหม่ให้วนไปสอนอันนี้เป็นนักศึกษาอยู่ตอนเรียนจบแล้วทํางานทําการแล้วมาบวชก็เป็นผู้เป็นอาจารย์กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานแม่ไก่หลายลูกแต่พระก็ไปหาอาจารย์วเทพบ่ นั่งรถไปขึ้นรถที่ขอนเขนจะไม่ขอนรถสีส้มร้มอนรถเก่าๆขอให้เราลั่งข้างหลังมันกติดเครื่องผุเรามันก็ร้อนขึ้นมาที่เก้าอี้เงยขึ้นโจมหมกไหลออกมาหากไไห็ไม่ไหวไม่ไหวร้อนร้ตายตายเอาผ้ามาพัดตเตยเราตายก็นั่งกันก็หาพีช่วยเอาผ้า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 ร้อนก็ไหวอยู่ไม่ตายไม่ตายไหวไหก็คิดสวนทางแบบนล้ไม่ใช่ร้อนมาเป็นทุกไม่ใช่เย็นมาเป็นสุขเป็นธรรมดาเห็นวันไม่ค่ามันเลยไม่ค่าความร้อนไม่ค่าความเย็นไม่ค่าความสุขไม่ค่าความทุกข์เอาอย่างนี้ชีวิตเราจรึงจะเป็นผมปังจันโหมดที่สุดนะทำได้ไหม มันทุกไม่ทุกมันหลงไม่หลงไม่ใช่เอาแย่งกันเอามามองตนปกติเราไม่ต้องไปร่วมมือกับเขาทําใจสบายแล้เย็นในที่เตาหลอมเหล็กตรงที่มันร้อนทำให้เย็นตรงที่มันหนักทําให้มันเบา ไม่จึงจใช้ได้ชีวิตเราถ้าไม่ใช่นั้นมันใช่ไม่ได้มันทุกไม่ทุกมันโกรธไม่โกรธมันหลงไม่หลงเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนที่เราใจเอามาเปลี่ยนอย่างนี้ใจอย่าไปเอาหัดตรงนี้หัดลู่หัดลู่หัดลู่นี่ถ้าไปเฉจ อย่างนี้ก็ไปเสียดตัวเองไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับอะไรที่มันเสียกองร่วมมือกันมันหลงก็ไปกับความหลงมันทุกข์ก็ไปกับความทุกข์มันโกรธก็ไปกับความโกรธมันมีประโยชน์อะไรนี่แต่เป็นโทษเตอตัวแล้วโกรธบ่อยก็เป็นลูกกับพ่ออาหารถามคนหม อ, อดูเวลาใครเป็นปวดท้องไป เขาก็ถามประวัตินะโกรธบ่อยๆกระทบกระบวชเกินมากนี่ <c oughs> มาปฏิบัติธรรมมันครบวงจรนะวงจรของชีวิตเรามันตั้งอยู่ที่การปฏิบัติธรรมอ า, อาจจะถูกต้องไปหลายอย่างทำเรื่องเดียว ร, รู้ไปรู้ไปรู้ไปเป็นปัญญานะการหลงเป็น เหตุตัวรูปเป็นผลเปลี่ยนเหตุร้ายเป็นเหตุดีเป็นการกระทำเปลี่ยนกรรมสิ้นกรรมสิ้นจริงๆหมดจริงจริ ง, รงหมดกรรมหมดเวนใครจะเปื้อนๆอะไรมาหรือเหมือนกับรถถูกชนมามีรอยลักรอยแชนรอยสุขรอยทุกข์รอยได้รอยเสียมา มาโทอมมาเข้าอู่โดยมีสติชัมยัญญะรักษาดีเหมือนเดิมเหมือนคนสองคนสุภาพสติสองคนมาที่นี่เป็นทุกข์มาพร้อมกันขณะเดียวคนหนึ่งก็ทุกข์สามีตายเกิดอุบัติเหตุคนหนึ่งก็ทุกข์ ส, สมานนสสมีทิ้งไปมี ผู้ยญิงใหม่ก็เป็นทุกข์มาทุกคนละแบบคนหนึ่งทุกพระยาเป็นคนดีมันทำใจไม่ได้สามีของหนูเป็นคนดีมันลืมไม่ลงมันทุกข์อีกคนหนึ่งสามีไม่ดีเป็นทุกข์เขาทิ้งไปเขาไม่ทำผิดอะไรขเขาทิ้งไปเอง เป็นทุกข์เหมือนกันใช่ไหอคนดีก็ทุกข์คนไม่ดีก็ทุกข์เอา้ามันเดินเดียวกันนะหนูนะอันตูทุกข์แนะ่ไม่ทุกข์ได้มหมถ้าเรารักษามีเราเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีเรายังอยู่ทำดีเรื่องลูกไว้สายมีเป็นคนไม่ดีเอา้าเราก็ดีย้าให้เขามาทำให้เราเป็นคนหลายเขาไม่ดีแล้วเห็นแล้วไม่ต้องทุกข์นะ เราพูดไปพระ้าก็ยิ้มมีหน้ายิ้มขึ้นหน่อยหน่งเอา้าจะกลับบ้านไปดูลูกมีรถไปไม่มีรถป่าม า, ย, า, มายังไงมาลุกไปย่ำทางเลยบอกอ้คนที่วัดเอารถเราไปส่งแจงก็ไปไปส่งนะถ้ามีอะไรเดือดร้อนหลวงพ่อที่นี่เป็นเพื่อนของคนทุกมันไม่มีดอกทุกเด้อ เปล่ยมันจ้าทาใจทําใจเนี่ยถ้าไม่ทําตอนนี้มันก็ไปได้คิดถต่ว่าสามีเท่งเราสามีทิ่งเราสามีตายจากสามีตายจากมันก็คิดอยู่ตรงนั้นวางไว้ก่อนในโลกนี้เป็นอย่างนี้พัดภาคแก่ของเราของชอบใจเป็นสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องตายไม่ใช่เราป้องกันได้ <c oughs> อันนั้นเนี่ยแต่แท้ก็คือปารแช่ตัวเราหัดกันถ้าไม่หัดตรงนี้มันจะเป็นศูนย์เปล่าชีวิตเราเกิดมาต้องออาตรงนี้กันให้มีค่ากันมาให้คุ้มค่าให้ยกเบ่า์ไหตัวเองโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเพื่อการนี้คุ้มค่าแล้วพ่อแม่เออให้เลี้ยงเรามาไม่เสียค่านำนำลง เรืร่องลูกบาได้บารูดังนี้นก้มค่าเป็นบุญแล้วก็ทําดีเรื่อยไปเอารูปโอกายเอาใจที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาทําดีไม่ใช่พ่อแม่เราตายไปไม่ไม่ใชนะ่เรายังอยู่เรายังอยู่เพื่อทำความดีเรื่อยไปนี่คือดํารงตระกูลท่านเรามาช่วยกันเถอะ ชีวิตอง เ, เนี่ยะับนับหนึ่งจากตัวเราก่อนถ้าไม่นับที่ตัวเรามันตั้งต้นที่ตัวเรามันก็มีสองต่อไปมันต้องมีสามต่อไปไปบอกกันไปพูดกันเป็นเพื่อนกันอาจารย์งจงเิงเขียนไว้ที่ลองทานป่าดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เราไปเชยประองอบใครใครอะไรมันจะดีอยู่ที่เรา มาช่วยกันดั่างนี้ก็สมควรเจรเวลาเจ้าวันนี้พวกเรากราบพระพร้อมกัน